บทภาชณีนิสขียปาจิตตีห้าร้อยห้าสิบห้าสูน์ทำสันทั ท, ที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัตนิสขียปาจิตตีภิกษุใช้ให้ผู้อื่นทำสันทัดที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอบัตนิสขียปาจิตตีภิกษุน์ทำสันทตดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอบัตนิสขียปาจิตตีภิกษุใช้ให้ผู้อื่นทำสันทัดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จ ต้องอบัตินิสักคียาปาจิตตีทุกทุกกฏภิกษุทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอบัติทุกกฏภิกษุได้สรรทัดที่บูญอื่ทำไว้ใช้สอยต้องอบัติทุกกฏ